ที่ชื่อว่าจีวอนได้แก่จีวอนหกชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกกับได้เป็นอย่างต่ำคำว่าโกรธไม่พอใจคือไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่าชิงเอามาคือยื้อแย่งเอามาด้วยตนเองจีวอนนั้นเป็นนิสกีคำว่าใช้ชิงเอามาคือสั่งผู้อื่นต้องเอาบัตรทุกกฎภิกษุรับคาสั่งครั้งเดียวแต่ชิงเอามาหลายครั้ง จีวันนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวันที่เป็นนิสกีอย่างนี้